ปูหลวงพอหลวงีและดู๊กนี่ดุ๊กทันจะเล่นซุกอยากโยงพ่อแม่กุศลกูเจและปวดอ้ใจน้องน้องลูกหลานที่มาปฏิบัติธรรมรวมกันทุกๆคนหลังมือมีตะเป็นเมือแหลกนั่งพังทรามดา่ากังเวียนเสือป้องร้ายนั่งสบายสบายได้ปวดบป็นยังไและบารนี่นั่งกอดเข้ากระตอกัน นังปฏิบัติกุมหนึ่งกับนัน่งรถมาด้วยกันจากน้องแสงด้วยหละมาร่วมที่นี่ชโชคดีที่สุดอยู่น้องแสงกับพ่อไหลกั บ, บพ่หน่อยเพราะที่นี่พอดีเราอากันง่ายถึงสีมีจํานวนนักปฏิบัติล้วนเสถียรขึ้นเพ่าคพืแย่แต่เอากันง่ายเอากันส ม, มนัครขเิ้นก็ใค่อยู่มีผลพอสมควรพุ่งใจดีใจนั่งมที่มีกับตอกันโลดลการปฏิบัติของเฮานี่ ไม่เห็นหน า, มาแม้ไม่กัมีเฉพาะย่างยิ่งหนาเก้าหลาวิธีของปู่เฮาเกิดเป็นการฝึกจิดขึ้นกันเรีว่าอาศัยการอาสานจังหวะอาศัยการเดินจุบ ก, กลมป้องกันไพ่หลายด้ า, ดานการเดิยนจุกกลมการสานจังหวะนี่จะบ่อยนั่งรับหูรับตาวิธีของเฮาเกิดเรียกว่าฝึก ตามรักมหาสติประธานมีสีขวัลกายเวทนาจิตทำเครื่องันละ่ะกับสำนึกอื่นแก่ของเฮาห่างบ่ิหาราาปริบัติทั้งหลายอยู่นิ่งนิ่งให้เคลื่อนไหลยูโบเซาปุ๊บให้มันตื่นอยู่เส ม, มอเขย่าทานรูยกเมื่อยกใหม่อยู่จะสัง่งหันเวชยังวะยกเมือม่อยกใหม่กับมาเดินไมา้ยางกุญแสี่เคลื่อ บ, บ่ิหามัน่นเครื่องเครื่องรับไหล ง่วงเสื่อมเสื่อบอให้มันมีมาต่อมันเป็นอุปสรรคขึ้นกันแต่พ่อที่วิธีของผัวห้องกับเป็นวิธีมอมอเป็นวิธีง่ายๆซึ่งค้นเถาค้นแจผูกอยู่ในไวชรายแฉะกับ บ, บ, บจ่จำบ่จำเป็นต้องกดต้องเก่งออ ก, กระดอกกระเดียก ง, งานก็งานธรรมดาธรรมดาบ่าให้เห็ยากตั้งจากธนาองินขิงบางสธนัการเ น, น้นนัก แกล้วนง่ากๆน้ำมาสอวนกันปานวะวิธีเดียวสำหรับการศึกษามาในข่าพขรียนพอแม่ผู้ตาวผู้แจ๊เฉพาะอย่างยิ่งปลายชายก็เคยได้บวชเคยได้เรียนจึงขอให้ทบทวนเบิง้งจะเป็นวิธีปฏิบัติถูกต้องตัง้งแต่เห็นง่ายๆทำง่ายๆทันทีในบัตสุขาปฏิปทาคิป่าวิดย่านบมีด ง่ายๆว่าให้ก้นให้เจองเอากระดอกกระเดียกเส้นสิบวมีสิสิบวถือว่าเป็นถูกย่งางธรรมดาธรรมดาเจ็บวถึงกับแรงที่ละยัางให้ประคับประคองแต่การย่างเนีในเมื่อย่างอยู่ในเส้นทางของผู้เดินจุกรมของผู้ท่านเทียนก็ย่างอยู่ซนนีมม่ขันถึงเวลาตอนเที่ยงหากไดยินสัญได้ยินสัญญาณสิบยังระคั่งที่ข้องก็ตามไม่รับอาหาร ผูย้ยางกับวา่าจะเปลี่ยนวิธีงานบ่าจะเปลี่ยนขั้วสะอาดหรือขั้วไหวสำนักอื่นเดินสะสะขันพอ่อจะยิ่งเสียละคัง่งม่รับอาหารกันอจะเดินสะสะมาสิบพันเวลาก็ได้กองสาวเทานีห้องปรจันเป็นต้องสาวแต่าสาวเท่าขันยิ่งเสียงสัญญาณขอะขาะคั่งหรือไม่โคอรเกิดขยายข่วงก็ตามนี้ ข้าวยางซำเกล่วพุ่นได้ประคับประคองหอวกายยางกับําเก่วเทียวว่าเสมอตัวเสมอไปในทางเดินเดินจูงกันยางพอดีพอดีเวลามารับอาหารกันยางพอดีพอดีต้องกำหนดกาผู้ใดยางว่ากำหนดยางซื่อๆยางถิ่นถิ่นพุ่นั่นสร้างจะว่ากระสางซื่อๆเป็นการถิ่นถิ่นเป็นการสร้างถิ่นสร้างเสียเดินจูงกันเพื่อแบ่งคิดเพใช้ใจเพราตามเขาเอื้องกระตัดตากรรม ท่านซื่อๆต่อการตากรรมกตัตากรรมจะไปเข้าใจว่าขาดนหลายๆแล้วกรรมว่าต่างสนองจะไปบอกลูกศิษยการตากรรมเขาหนักปฏิบัตินี่มั่นใจที่ละ่ะคือเหตุทางจารวานี่เขาเกิว่า เ, ออเหตุเม็นว่าเดยจุกลงนี่เขากเ อ, อินว่าเหตุเท็จยั้งกระร้างการเคลื่อนไหวนี่อยู่เขาเอาการเคลื่อนไหวที่เป็นที่ผูกคิดผูกใจยึดเนี้ยวร่าง ชุดลากไหวชี้ใจของเขาวิ่งว่อนไปทา้งนั้นทั้งนี้ให้ไห้มันเป็นเรื่องฟุ่งฟุ่งเฟื่องเฟ่อเอาการเคลื่อนไหวในจุดต่างๆดึงไหวชุดลากไหวลั่งมันไหวนีิสีไหวไปคุณมากทีแล้วมันอยู่กับกายมส่ได้ศึกษาเรื่องสลบับซ้อนอยู่ในไก่เท่านี้ไม่ได้รู้จักลูกไม่ได้รู้จักน้ำ จะไดรู้จักลูกท่านา้ำท่านที่ได้รู้จักลูกโลกน้ําโลกลูกสมุนน้ำสมุนมันจะได้รู้จักือ้ดีแล้วกันเข้าเฮ็ดมักจะต้องเฮ็ดสัมพันธ์กันสละวิธีสั่งจังหวะบ่ายจะค่อยวอร์ทเนาะจะค่อยไปสาธิตพูดถึงนาคปฏิบัติมันจะ ระว่างดิสังขารมากาสลับสะสอนที่ยียู่น้องแสงกับพ่อภูพือนนอโอ้ยน้ำวนอนเลยดูกก็คิดยากนั่นทะเลาพอยจั่งท่ากับไปวบาแล้วก็บหยุตเส็นท่าเดินจงกวมมูฟุงพอนรับเก็บรับจมพ่อสัญญาณขึ้นเดินเดินเพื่อกลับไปนอกประมาณสองสามทุ่มผู้บางคนกะไดพ่อลบกระับคนเถ้าคนแกแต่พอูแล้วกดั้นระว่าเพลินระว่าสนุก แะ้ ว, ว่าเบาละ ว, ว, ว่าโอ้วันแม่เดินเฉพาะในเส้นทางเดิอนออกรอบๆวั ด, พ า, วดาพานวัดสิง่ง น, น, น, นั้นทานวัดสิ่งนี้อย่างขลุ่ยตลอดขลุ่ตาแดงเลยต้องคอยจีบเห็นพอนึงสุดยอดเพื่อเกษตรบ้านโน้นส่งกลุมไดห้ห้องขลุ่ยขยานเพราะห้องอขนาดนั้นที่กเพราะว่าคนเท่าจะดสิบหลายัน ปฏิบัติธรรมะขันมันไม่ได้อารมณ์เนาะพระหลูดจากหลุดูลจากหน้ามันศดีใจอขันดีใจมีเพราะเห็นเจ้าของได้นี่พจีเลื่อมหลุดลื่มน้าไม่ค่อยดีใจมันลากมันชุดมันดึงไปไหลไปมันปุ่มมันแต่งถึงมากนี่ระสังขารมันมีอำนาจอิริสังขารสังขารขันที่แล้วบอกเมนว่าสังขารคือร่างกายจิตใจเฮ้าวา เป็นสองขาดสองส่วนนึงวะมานสังขารที่ไม่แยกแยะออกเฉพาะอันใครว่าคิตใจนี่ก็หาว่าโดยส่วนนึงก็เป็นน้ำแท้แล้ว่ส่วนนึงก็เป็นลูกจะขันน้ำขันไม่มีซื้อเอื้อนอีกขั้นโคติดซุกอยู่ขันหู้จัดลูกขูนจัดน้ำใหม่ๆดีใจลหลายๆก็เรียกว่าเป็นสังขารชนิดนึงสอนถึงมากดีใจมากๆเพราะว่า เป็นบุญแม่นว่าหายใจหายใจสูญกับเป็นบาปนี่เรื่องบุญเรื่องบาปก็เป็นสังขารตัวเมตฐานให้บุญกับบาปกระรผู้ฝึกกรรมฐานมารูุ้ดใกลู่รูร้รจดกน้ามีใจกระไรบันนี้คนใจญ่ดีนี่ดีใจวันนี้คนเอ่รุมนี่เนี่ยเขามเบิงมาั้นโทบ้บรรลุปวกนะชั้ห้องุญญาที่สังขาร น, นะปุญญาที่สังขารเนี่ย ปุญญาที่สังขารก็คืออใจมันดีแล้วละ่ะใจดีล่ะปุญญาที่สังข า, งออารอปุญญาที่สังขารกิดใจซึ้งใจเสียใจคุณอารมณ์ว่าบุญชุลมุ่นเกิดปฏิฆะเกิดมุ่งมิ่เกิดล้ำค่างเกิดเดือดดาลเกิดอยากได้อยากว่าอยากก้าวเกิดตัวนี่ก็ยว่าสังขารมันมีอิทธิพลมันมีอำนาจมันมีพลังพักดานในเ้ามีเป็นไปตา่างๆกันเ้องรู้จกัก โอเคข้าพบรู I ้จักมันมัดสีเพชรเข้าขนาดนั I ้นสังขารังว่าเว้าวแล้วก็ว้าวอีกจังเอาร่างกายเข้าเป็นเครื่องทดสอบบางข้างเข้าบ่อคอยเป็นนักสังเกตสังขารมีซื้อเอื้อนหลายเพศสังขารจังว่านอ่อดีบุ๋งโดยพระลูกศิษย์ตัวจังขนาดนึงเข้าย่างไปพ่อหมาตายไปพ่อหมาเน่า คืนอื่นยอกนอนเจาะอันนี้ซึ่งมีปรากฏการณ์ต่อจุดได้จุดหนึ่งในร่างกายของเขา้าเข้าสังเกตได้แต่เข้าบอ่อเป็นนับปฏิบัติเท่ากับบริจาคสังขารเท่ากับบริจาคว่ามันเปลี่ย น, นตันหายยังละ่ะคอพอเห็นมาตายมาเอนนอนเจาะอะไรยืดเลยยืดเท่ากับอยากอยา ก, อยากเรื่องที่ไม่บอยากเนี่ยยาเนี่เป็นสังขารเนี่ยปรุงมา่ิจ น, น้ำร่ายแตกผมรูมันปรุงขึ้นเ มันบีบคั้นให้จุดใดจุดหนึ่งเข้าเยื่อหมวกมากผลนำไล่บ่มีมือมีตีนจริงล่ะพวกกีดสังขารบีบคั้นเลยให้เขาเกิดอยากแล้วควมอยาแค่นี่นั่นห่างว่าแม่นจิตเป็นบวกเกินยังวาบ่คืออยากเขาอยากปลาขันเอื้นตันหาเอื้นสังขารแคนี้นั่นซือเอิ้นว่าเป็นตันหาก็เป็นวิขวะตันหาตันหานีนปลาจะอยากเลยอยากเปล่งแแปลว่าอยากเอาก็ะเพรว่าอยากไปอิหล่ด จะเข้าเห็นหมาตายเขาเห็นหมาเนา่าเข้าเห็นสิ่งที่ปฏิกูลนาเกียรตโสุ โ, โภคเจ็ดแต่เขากายกแปลว่าอยากทำร้ายเนี่ยมันรู้เป็นในบ่แม่บ่แม่จิตบวกเอ๊ะมันบด่ดึงดูดให้เขาไปหาเดินอยากทำร้ายอยากไปเสียหายพวกอยากยตีตดนออหางขันเขาสิมาเอิ่อมา้นเป็นตันหานี่ไม่คือเอื่อมาตันหากะไรทสังขารมาแล้วมันต่อต่เพราว่าตัานหาตัา น, หาตานหาให้ปราศจากนี่ยคือเข้าสั้างกันนี่นะแต่ิดตกรหฮักฮักพร้อมกัน ถาข่าวถามข้าวกันยู่เรื่อยไปเยี่ยมยามถามถึงกันอยู่เรื่อยมีแนวดีแน่ใช่คล้องยุคล้องจินดีๆกับฝาไปหากันยุเรื่อยบันลังมากคิดหูพิดตาทะเลาะเบาแวงเปี่ยนฝาเปลนเสียงสั้นกันหลายๆเนี่ยการสร้างกันนี่ก็ถือปรุงถือแจ้งชนิดหนึ่งอันปรุงอันแจ้งเขาก็เอิ่นสังขันเขาหากันเ่อไรควบนากันเมื่อไรเขาเอื่นวิภาวะขันเอิ่นว่าให้มันเปลี่ยนศาสนาเอิ่นวิภาวะศาสหาศาสหานี่ปราศจากว่าอยากไปมหาสูรเนี่ยยากยังยากทำได้เลยคันเรียกันเสมอ อยากทำได้อยากไปแจ้พ้นอยากจีตุลออกห้างเป็นกิเลสปัะเภศขันเอบตรทหาขนเอบิพอตันหาแจ้ที่ยิงสันขานล่ะมึงดูอันนี้กันจีเป็นจัดเป็นปุญญาพิสังขารหรืออปุญญาพิสารไม่มาเกิดขันมันอันจัดเมือ้ยเป็นทันตันหากะเรียกว่าพิพ่อตันหาขันจัดเป็นสังขารกะเรียกว่าอาปุญญาไปแล้ว มันเสี่ยงเข้าขากันตั้งแต่เด็กแต่คิดเป็นบาปเป็นกุศลกุแล้วเป็นบาปเป็นอกุศลกุแลาบดูเนี่ยั่นเบิ้งเบิ้งเรื่องตัวมันทามด้วยบาปเรื่องของเป็นแต่แสบแต่นัวแจ้งเข้าเขาตลาดไปเขาไปเจอเขาตั้งกระทะพอดเอาน้ำมันใส่กระทะแล้วทอดขนมของเป็นแต่ตแสบกินชวีชวีเสียเข้ากันนั้นไรออก เนี่ยมุลูน้ำลายของเขานี่เปพ่อของเป็ดตอาอเลศอรอยเป็ดต่ยาเป็ดตาจินก็นย่างน้ำลายออกเนี่มันลูความกิสีบดเป็นของปฏิกูลน้ำลายออกแบบนี้หันต่างจากนายน้ำลายออกแบบนั่นแต่ว่าขันสิเ อ, อื่นว่าเป็นตันหากัเ อ, อื่นว่าเป็นตันหะได้เขาเ อ, อื่นกามาตันห า, า, ออ า, ม, นหามีลักษณะดึงดูจชีตเป็นบวกอย่าเข้าไปใกล้ชิดอย่าพิชชมอย่าเพ่งจ้อนแล้ ม, ม่องอย่าไดมาเป็นส้มบัสให้มุลูเข้าไปใกล้ใกลได้แล้วตอนนี้ ขันพ่อนำไร่ออกก็คืนล้นทองสบายๆขันพ่อส้ต้มขนมพ่อค้องเป็นแต่อยากได้กินเี่มันบีบขันเท่าได้พราะเสิร์ขันสิจัดเป็นอุบีแล้วกักรรมบีบส่วนในส่วนหนึ่งจนมีอาการนั่งรังน้าไร่ออกมาบุญเลยเหรอมันบีบขันเท่ากันสิว่าเอื้อนว่าอุบีแล้วกักรรมกรรมบีขันเจ้าไปเห็นได้เลยว่ามันติดสังขารขันจะเป็นตันหาวกระป้องจักว่าตันหาอย่งสันดิษมัดูสารทสวรร์บ่ สังขารเป็นท er, right. ่านชจาล่าขันผู้ปฏิบัติธรรมสูงสูงถือไมาเชียงคอเสียงสังขารหรอขันผู้เห็นสังขารแล้วอืแต่ไข้แย่แล้วที่พุทโธเป็นธาตุแล้วที่เป็นผู้เบิงเป็นนะนะที่พุทโธเป็นผู้เปลี่นนะนะขันนี้ขันพ้นไปเห็นสังขารเป็นผู้เปลี่ยนท่านนี้เป็นอย่งเป็นผู้ขี่เดียดเป็นผู้สร้างเห็นม้ากับเป็นผู้ขี่เดียดม้าขันเห็นขันต้มขน้มกับเป็นผู้อยาก ขันห้าวเป็นผู้เบิกห้าวเห็นอาการก่อวอรขึ้นโอ้นี่มันอยากมันเป็นสิกเจสี่ห้าวเห็นการก่อวอรขึ้นของอารมณ์ขันไม่เห็นตัวนี้เรียกว่าเป็นทัศนนุตริยะขันเห็นม้าซือเห็นขันหมอบเหตุะหมาเหตุของเนาเห็นเป็นของปฏิกูลอุจจาราตาละโศโคโสโม่มละนั่นสิพบประเสริฐอันนั้นพบประเสริฐเบียดเบียนเจ้าของอยู่ร่างเสียเจ้าของอยู่ขันเห็นหันมาออกมาจากสรากจากข้องห้าสิกินเขาได้ ขันมันติตาเป็นมิตรติตาที่กินเขายัาง่ยงคิดยั่งคิดสิเบียดไม้่นนี้เนี่ยเบียดเบียนเท่าจนเท่ากินเขาบ่ได้ไปแล้วมาดูเบียดเบียนเจ้าของถึงขนานั่นตัวไก่ย่งว่าปรากฏการจากสภาพแวดล้อมแม่สิ่งนั่นเป็นวัตถุทรร่ำไก่ยังมีต่อเห่าได้ขนาดนี้ยังขั้วพรก็ขั้วหนาวจะสิมะปุ๋งแป้งเห่านี่พูดถึง ปุ่มแดงทั้งร่างกายนอยแดง่วงพอน<ม>ก็เหาสังเกตบังเอื้ที่ที่มีรถอนกิดถ้ามันชิมูกไหลกินตำมตมประกอบเพี้ก็สิบมืีเกิดมีรถอนเนาะชิมูกไหลปานเมื่อไรอาการหนาวหนาวใจใชิมูกกไหลขื้นเลยแน่หนาวก็พอนก็นมีลักษณะขึ้นเก็ะยอนหพอพุท ธ, ธาตนว่า ล, าลักษณะหัวกระร่องให้กถ้าไห้เสียปกติภาทางคิตมันกังหันกังหอบมันเมยขึ้นเลยอันนี้ นี่นี่มันเป็นพันณน์นะแล้วร่างกายของเขามันกับพัฒนาบุได้ด้ยมัจจิวาห้วยมาจังว่าพัฒนาบุได้ขันผมของเขามาเกี่ยงบวตัดสเสถียรมาสิตเปิดเบิง์นฤทคนบววีผมวีผางสิจิเปิดเบิร์นี่ก็เรียกว่าพัฒนาสิวา่าแมนอยู่หขัดแยงอยู่ขัดแยงแค้นี้มันสวยงามเลยพอแต้งนั่นแล้วแมนบววน้องพ่อไงทำพ่อแต้งกับ่เปตดเบิง แต่ว่าเรียกว่าพัฒนาบพราะขื่นเนี่ยเสมอว่าแต้งแล้วก็ดูได้เบิ้งได้สวยสนงนงามอีลีนี่เขาก็ว่าลองเท็กมิเมนบอที่ว่าไก่งามเพราะขืนใครเป็นคนผูยกย่องไก่เวลาแจ้งสิกับไปกินเนื้อมันคนที่พูดนั้นทำไมไม่กินคนไก่ตัว่าลองเพ็กไปเคยบูอ้อันนี้ในนี้ต่เขาลองหรอกอันนั้นมันพัฒนาเฮ็ดตัวให้งงามแล้ว ก, กับว่าพ้นทุกอันนั้นไงว่าร่างกายของพัฒนาพ้นจากขึ้นเป็นสังขารหมดเลยมันก็เป็นสังขารอยู่นะ บทสวดสวยเนี่ยในก็นว่าสังขารหรือร่างกายกจิตใจแต่ว่าจิตใจพัฒนาจนมันเป็นวิสังขารเดได้ดี่ะร่างกายเป็นวิสังขารว่าไรร่างกายกูเฮ้าบทสวดจะรับร่องกระทั่งจิตใจได้เมนบววิสังขารราคาตังจิตตังตันห้านางขยมมัจจค้าอีกองเราถึงแล้วยื่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งหรือได้ยิงต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัญหาวายถแงเนบวสุภาสสิตบทนี้รับร่อง ฮิตสังขารเมนว่าบาว่าก า, วกายของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปบ่มีมีแตรวจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไปลายจิตปลายใจปลายกายเขาพัฒนาบวบพ้นจากคัวเปล่นสังขารแมนว่าพญานั่งอยู่ไม่ไงนั่งอยู่พวกอายพวกพีนางอยู่หากนั่ง น, นั่ง นั่งโดนจนถึงยี่สิบหน้าที่ถึงสามสิบหน้าที่ก็ย่อมมีวามเน็ความเหนื่อยควมเยวมยคว้ลาปวดหันเจ็บขากะมือนก็บชาเกี้ยวกับจริจๆสิมือจะติอาการตะการย่อมเกิดขึ้นนี่เป็นทุกชนิดหนึ่งซึ่งทุกคนต้องบำบัด ต, ต้องแก้ไขการแก้ไขทุกท่างกายจะสิบนิ่มหายสินส้นซากบ่มิหายเดืขาย นี่พัฒนาไปไลยมันมันท้อซ้ำนั้นมาต่อเรียกว่าบำบัดหายเป็นขั่นเป็นข้าไปซื้อหายแล้วจุดมุ่งหลังหน้าที่หลังมันสยกรรมมาเรีงานอีกนังนั้นเขาต้องมั่นพลิกขี้งตี๋ตัวมันเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่เปลี่ยนอิริยาบทมันเป็นยุจิี่อันนี้ร่างกายของพระศาสนาผู้มีฤทธาสักดาเดกยกต้องมันแก้ไขปดเกื่อนอยู่สิเอาอิริยบถแก้ไขปดเกื่อนอยู่สิคือเฮ้าคือกันกระเฮ้ามา่ถอะส่วนร่างกาย เ่ามาพัฒนาเดี๋ยวนี้เ่ามาพัฒนาทานคิดเนียแม้นว่ากายย่ามัพัฒนาเอากายเคลื่อนไหวเบิ่งกายเดี๋ยวนี้กับเพื่อสิตใจเจ้าเขา้ า, าไปห้จิตฐานุพัสนาคนนี้คาว่าถึงจิตฐานุพัสนามืก่กลบไม่ได้แจ้แล้วล่ะอารมณนี้ก็อว่าคือมันในรูปของขั้วคิด่ะมันบีข้าในหฮาเอ็ดอันนั้นหายห่าเอ็ดอันนี้นี่เสียแล้วละนี่แล้วเรื่องคิดเรื่องใจนี่มันว่เป็นตนว่าเป็นตัว มันเร็วกลี้ยวจังว่าเขาจับช่านเพื่อนว่าปฐ ม, มชา่านทุติยช่านตติยช่านเจตุตะตช่านปั จ, ชปจมชา่างก็ว่าเป็นขันคันไว้คือใจว่าเวลาองิดของเขามันทํางานมันโอ้ยมันเร็วเกลี้ยงรดแล้ว่านเรือย่ยางไหวและบาานี้เข้าสีเอามาก ว่าวในกันฟังเป็นคันเป็นตอนเป็นคันเป็นตอนก็ยังว่าวยากสุดเลยเนี่ยพอดว่าเรื่องเช่นบัดพฤติของจิตมาทํานั่นปาดทุกเจียงพอทุกคนแม่ทุกคนมาฝึกอยู่เดียวหนี้บวมแนว่าได้สติคอรอท่ามคอเดียวคอรอได้คึ้สติจริงีไปใช้รถมันบวมแอนนี่ฝึกอยู่เดียวนี้บัดมันร่วมตัวเลี่ยมันมาอยู่กับห้องเป็นท่ามชุดพุทธเดียวนี้พวกห้องฝึอยู่เดือน ฝึกยูดีนี่รวบลัดเอาทีเอามากเอาผลเรียวๆไม่ยู่มากลินม่ใช่ม่สวยเรี่ยวๆเดบโอมันหายคตรเถ่าคตรแก่ตอนเชียเวลาเวลาไปมากๆเดเลยฝึกยูดีนคือพุทธศาสนาของขมันมีคําสอนอยู่มากถึงแปดหมื่นสี่ 8, 4, พันพันมะขแล้วก็รวบลัดถ้าพอผ้าเมีมาศาึกษากายเล่ยหลดด้วยการเดินจงกรมด้วยการจังหวะสางจังหวะเลยให้พ่อให้แม่ได้ลูกจักลูกให้ลูกจักน้ามเล่ยโลด รูกแจ๊กลูกทำน้าทาลูกโลกน้ําโลกลูกสมุดน้ําสมุดกันลูกจ๊กลูกทนลูกจ๊กน้ําแล้วค่ะมันถิมีแนวเบิ้งร้ายอันวันสลับสับซ้อนอยู่เนี่ยอยู่ลูกนี้จ้งเสือหลั้งแต่เบิ้งจุดต่างๆมันก็ได้แก้ไขมันก็ได้ปดเปื้องขันเบิ้งแล้ปดแก้ไขบปดเปลืองผู้กระดิ่งงานเท่าไหร่ะจังมือเส้าลองผอบวชกับบาลนองแสงนางปฏิบัติที่น่าจะคุนว่าเอาพวกเจ้าเมื่อนี้เป็นมือเลยพวกเจ้าสิกรับไปเห็นเพื่อน ขันไปเห็นเพื่อนบวแมนพัสนานุเตริยะด้วยเห็นจออเห็นเสียมว้างเลยเจละกะเห็นมีเห็นขวนบวเชิดบวเมี่ยนบ้านช่องห้องห้องบวปัดบวกลวยเจสิเขาบวเชิดบวถูเลยบบวปิดตอยู่เลยบบวปิดตะอาศัยเจส่พวกเจ้าบวท่านบวท่านเลยใช่ธรรมะด้วยขันเปลียนสันแล้วอนันตตีกับมาเหร่นงานให้พวกเจ้าหอมตอมให้พวกเจ้ากลวยเจรเกยคุณเด้วยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพอตาเห็น ทิ้งไร่เจ๊ไรกะลูกเขาโปะจัดบปแจงบปะแจงบปะายเพียงกุณนี้ไปมกมือเจ็ดมือสู้กระจิมเอากระดดกระโอดเนาะงานบ้านช่องของหอสู้เราบ่เบิงบ่อลำบ่อแห่สู้ขึ้สิบบ่อฝบ่กขวดอันนี้เราพอเตือนพวกกระบาลเรท่านี้อันนั้นไปเห็นไปเห็นบ้านเห็นจจ้าท่านว่าเป็นว่าเปลี่ยนทุนดีเห็นส่วนที่เป็นรูปพระท่าในขณะที่เยาเห็นแล้วเมื่อท่านมันบ่อ ยุ่ในระบียบเรียบรยบ้อยมันว่าเป็ี่ยนสินใจขวามเขาสิกุลเพียรเขาเกิดมาเบิงพี่นั่งปฏิบัติอ่ะนี่เจีงคอยสิเอินวาโยคาวีใช้เจติภูริปัญญาเกิดเจตเก่งกันเกิดมาเบิ้งนี่ทีได้รับผลอนิอนนสงของธรรมน้ำกุ้มน้ำเรียงอิริขนันในมาเบิ้งใจเสีด้ขันเบิ้งใจนี่สิพอได้เบิ้งด้วยตาเนือ้อสได้ขันเบิงใจกับเบิงอารมณ์น่ะนี่สิดเดือนกันให้มันได้เห็นทุกด้าน้านทุกด้า น, ท, านทุกมุมยังสิจงคอยสิเอิญปัญญาลย ใคเห็นตะเงินตะสร้างกคเห็นมะฮมันเหี่ยสิแล้วเห็นเครื่อใช้ไม่ซ้อนบนบ้านเห็นขวดเนี่เห็นเสียมแน่เห็นหมีเนี่ยเห็นจอบเนี่ยว่างละเจลกระเกื่อนกราดไปบึ้บบึ้ลอเบียบเรียบร่อยนี่จิตมัสิเกิดปฏิฆาเกิดมุญิโลดไปเห็นถวยเห็นซร้างเนี่ยมันใสยูใสกีแล้วมันบวรงมันบวเช็ดบเจบวเมียนเห็เสือผานาพีเนี่ว่างยนียหูยยังหงอยางอยูอย่างง่ายเจตีมิตรเชือนมิตรสิ่งขัดหูวขตาเกิดอารมณ์เลย นั่นนั่นมาเห็นสี่งเดียวคณะปฏิบัติเตรียมตัวมาเบิ้งภายหนอีกการก่อวอร์กเ ข, ของอารมณ์นี่นับปฏิบัติที่ได้ดับไฟซ้ำกับพระพุทธเจ้ามันแสดงท่าหมายฟัง่งอยายตนะเป็นของร่องกษตรได้เบิ้งอยายตนะเบิ้งขางนอกบ้างเบิ้งขงางหน้าบ้างเป็นผู้จบปริญญ่ากันเบิง้งยังสิเพราะมาจากของเอาเกษตรลุล่วงไปไงไงผ่านคนไปไว่านะ เส้ยวเท่ามะไมยูไมกินไมใช่ไมสอยไปว้ายๆที่พุมีพอใดแมใดเป็นโลกประสาทง่ายๆสี่ท้นท่านตัวการกระทบกระทั่งว้ไยๆเจตีหน้าราวาเฮ้ามันอยู่ในโลกทิพนารวิจัน่นแน่นถ้าจำใครเฉียวเฉียวขอดๆการมาเดินจุกมกานมาสั่งเสวะมาปฏิทัศแบกเฮ่านี่เพิ่นกะว่าพ่อห้ยสาเพิ่นกะว่าบ่อยว่าห้เดินพ่อหนีไงบุคคลชนนอื่นไงชนนอื่นเดินซาซ แต่พอโคตรหลังโคตรหลังแต่พอโคตรเจ็บท้องโรทฟอดท้องเดินกองจ้องกองจ้องกองจ้องเฮ็ดไฟเฮ็ดสายซาส่วนกระต้อฝ่ายทีมพลเรือาต่อโคตรเก่งไรเป็นแต่ไปง่ายเป็นแต่ไม้ง่ายว่าเป็นเวลาบ่เป็นธรรมชาติอันนี้อันนั้ น, นเขาเอิน้นทุกข์าปฏิปฏฏานะทาเนี REW ่ยเฮ็ดย่ายง่ายปฏิปทามันมีซีผู้ช่วยันเข้าไปเบิ้งหลักท่ามที่เขาเรียนมากมันดู แต่มาเห็นแต่แน่วอย่างเงียว่าเป็นแน่วที่ถูกต้องกระดอกระเดียห้าบัดน่วง่ายง่ายเบลอออกมาเบอกกันนี่เพื่อสุขาปฏิท่าคิดป่าพิมายเฉยเฉยเทคนง่ายๆทํำง่ายบ่ยากบ่หนุ่มเทไรหน่ะยางกับยางธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเฉยสินะแต่ว่าการยางก็เขาต้องเอาสติคำว่าประกอบไปซึ่งหามีหู่เมื่อกํากับกํากับด้วยควบหูเมื่อหูซึ่งย่างดีอย่าเผือขย่างได้ห้าเดินว่ามีควม อยู่กับการเคลื่อนไหวการเดินทางนั้นบ่เอิ่นว่ากาย่านุปเสนาจิดมันสิวิ่งละหุนละเหีเ่ไปเสบุแนวนั้นนี่เขาเอิ่นคิดแบบ่บคิดภาษาใหญ่ภาษาตามกระตา่ากรรมทําซื้อๆนี่ทาําซื้อๆทาว่ามีข้อหมายมาั้ยต่อแง่สี่ปีเข่งกับพี่โรนี่ปวนก็บ่เห็น เ, น เ, น เ, น เ, นเนรารั้วกวดนี่เนี่ยว่เห็นเหตุยว่าเห็นตาใจที่ไปเลยนี่เขาเอิ่นว่าทำํำซื้อๆเป็นกระต่ากรรมว่าเกิดปฏิมาท่านอยู่ ก, กับปีสิปีก็ว่เกิด เพชอซื้อเนี่ยส่วนภาคีีเจ้าพมีเด้ทิฟฟิ้งถึงตัวพอนเรียบร้อยสะกพันเห็นเยรอเห็นปัดจัญ่แหงการเปลี่ยนเอาสติขมัมาก่อตัวข้างหูเมื่อทุกข้าวหนะาจังโมเอินว่ากระตาตกรรมคันหุเมื่อทุกข้าวก็เอิญก่ยันปัศนาไม่เป็นสติด้ยามันเผลอตรงนี้ยายเผลอช่องว่างเขามันเสียตรงนี้แหละคันกลับไปเห็นอันไดอันไดอันไหสิ ถ้ไม่คิดใจป้วนปั้นรวนรวนเรศีเข้ากลับมาเบิ้งขางหน้าอีกยังค่อยเอินมาประเดินแย่ดิครนีน้ต่ขางนอกก็เห็นบลอกคอห้เาเป็นคนแก่ห้อต้องเบิ้งหลายมุมเลนไมเป็นคั้นแก่ยังท่าทีว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งยูททุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกแล้วฮะยังเกิดเกิดว่าอะไรนอกใจกทุกแล้วฮะยังดับกิด่าอะไรสิหลวงพ่อว่าคล้วยรูส้สกของคนแก่ห้อง คนที่สีม่วงทัวๆจังกะรานี่เด็กกับเเผวมันเดินสวนทางกันแค่สิพอไงแม่ไงมี่ลูกมีหลานที่อยู่ในวัยบ่าวว้สาวครอบครัวต่ละครอบครั ว, วย่อมมี่ลูกเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่สองคนสามคนสีคนกันมีบางครอบครัวสิและบานนี้เขามาเบิง้งคว่นรู้สีของพ่อข อ, ของแม่ต่อปากกุดการเ ล, ล่นลอมบานข้ังบางวันบางคลืนบางเวลาสินั้นเขาบ้านคว่นรููสี ข, ของผู้เฒ่า ในบัดนี้เขามาอเอื่นว่าสังขารนั่งปุ่มไปที่ไหนปุ่มไปที่ทางเดียวกันบอกกับผู้บ่าวผู้สาวไปคนละมุ่งสวนทางกันเลยสังขารคนแก่เอาสิอเอืน่คนควบรู้สึกในขณะนั้นเป็นวิภาวตัณหาเพราวะเสียงหนันดงดังตึ้งตู่ตึ้งตั้งแน่วผู้เทาย่อมเอ็ฟถึงวุ่นไหวย่อมหนวกนั่นล้ำค่านเมื่อคั้วมุ่งงานล้ำค่านีคขั้วลับขั้วลนในขึ้นในคื้นนั่นของคัวแก่ประจวเว่าหอดเลยกลองไม่ได้รับเนี่ย ไปเมื่อใดนั่งแถาบ้านเบิ้งสภาพใจพรอมเด็กก็ว่าโอ้ยกูมานั่นเลยจินขาแย่ ง, อ, งอย่างไปห่อจอยนั่งไว้ไว้อย่าไปจาะอย่าไปจองใกล้ๆจ อ, อยจอจอนังที่นั่นนี่คนรู้ซึกอของเขาเป็นถ้าสิเป็นตัญหาก็เอื่นงกามาตัญหาใหไฟฟันอย่าไปไว้ไวอย่าไปห่างห่างหัวใถึงคันไปดูได้ดูนังขึ้นไหนมันมวนมั่งซื่นมั่งสนุกสนานนั่งเขามองบววมองหลายนึ่งเขาเ่็ท่านศาึกษาธรรมะ เขาประธานท่านปริญญาคือนห้เขามอ่งมาไล่มุ่งเขากะคาดกันกับปรีว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นแต่ไปนอกจากทุกแล้วหาไรเกิดไม่ได้นอกจากทุกแล้วหาอะไรดับไม่ได้เขาบอกอะไบ่ได้คำเล่นหลอกอันนี้อันควัญแจศีมมอ่งก่อบ่ายฉันมาบอกว่าสีนี่โอ้เด็หน่อยมันเห็นหนังมันได้ดูมันได้ฟังมันได้ดูเต็มหูเต็มตามันมวนมันซึนมันสนุกสนานมันล่าเรื่องเบิกบานแกสิเดินชวนท่านกับขวัญแจท่างคิดไหมวะ จีเกของผู้เฒ่าพันควบเอ็ดอื la, ak, ak, ah ah ่นว ah ุ่นวายกูเสมาหนวกนั่นกูเสมาลำขั้นหลายแหน่เมื่อนี่กูกระซับกระสายกูงูงานลำขั้นกูบาได้รับกูบาดได้น้องกูเสียสุขภาพมึงรู้บ้ผู้เฒ่าเสียนช่องทางแห้งเกิดแห้งควบเสียหายเห็นว่าลูกหลานไปดูน้ำฟังเที่ยงกันขึ้นนี่จะต้องจัดจ่ายใช้เงินบนน่อยบาทคันครอบผู้ไรมีลูกเป็นบ้านเป็นสาายควกรสีเสียเงินคาพันซื้อบัตรท่านประตูบนหน่อยบาทเนี่ยเห็นช่องทางเสียเงินแล้วที่เป็นเห็นควบทุกแห่งการดำเนินชีวิต ของกูขอ้องเลื่อนว่าตั้ใช้ไว้เมื่อถึงเงินหมดนะ่นานั่นมั่งนั้นมีนั่ น, นล่นะานั่นรวยหน่าฐานะของเขาก็สิจิ้วคอดหอดหิ้วไปโดน น, นะน่าเนี่ยบ้านเห็นหลูกเห็นหลานใช้เงินยังติดอ่โอ้ยเนาะเห็นคนทิ่หายช่องท่านเห็นคนทิ่หายเกิดขึ้นว่าโอ้เงื่นจะสิดปงน้ำบ่ท่านแล้วไปเห็นวา่าลูกหลานไปนั่งต่างหน้ามอ ง, งอ า, อานหําข้างตั้งใจหัวคําตัวลุงเกษีย ส, สุขภาพมีโอกาสเ ป, าเป็นวัดเป็นไอมีโอกาสเปไไ็นใครใดเพื่วยมีโอกาสทรงกันถึงโร่มหมอ เสียเงินเสียท่องไปซื้ออยู่ซื้อยามะปินมาปัวผู้เท่าสิม่วงไปได้ประตูได้รู่หลานของเขาไปดูนังผัดไปดูกันขึ้นแมนบอลนังก็ไม่ใช่กันขึ้นมีโอกาสเยี่ยมกิเชฟมีโอกาสเยี่ยมแม่งอ่อนมีโอกาสเยี่ยมมุ่เยี่ยมเงี่ยหนังสือเนี่ยรู่หลองเขาไปอยู่ในไว้บ้าวไรซาไปเจียวกันขึ้นมีโอกาสเจอลูกหลงฮานาเร่งอนุพานมันตีกันมันคากันมันฟาดปืนฟาดระเบิดยิงปืนใส่กันสิเข้าพ่อได้รับลูกหลงแทงจิงการม่องหลายหมุ่งจะตีเขาเอิน ปริปริรอบเนี่ยปวดไถจากอันตรายนะมอั่งห ล, ล, ลายด้านนี่สิ <c oughs> คันศึกษาธรรมะก็มีหูมีตามันก็มองหลายด้านเป็นมันบปมองขังหนึ่งคัเดียวแคนะ่นี่นะดังนั้นมีธมมรรมะทศวรรษสี่กลุ่มความโลกอะ่ะขันเฮาศึกษาธรรมะแต่ละขั้งเฮาเห็นตะข้นเถาเฮาเห็นตะข้นแกจเห็นแต่พอเห็นตะเมะจค่นี้มาศึกษาธรรมะมันจะเป็นคั้มสมบูรณ์ของบุคคลนี่สื่ บ้านเนค้วนสมบูรณ์ของสังคมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังบ้นเต็มลูกของสังคมขันขวบขัวหนึ่งพ่อกับแม่ยอดมีลูกชายลูกหญิงเป็นตู่ค้วนไทยเจ้าบาลนี้ในเมือเขาบ่ได้ลูกชายลูกหญิงมาได้ยี่ในฟั่งนั่มกระสีมีตะพ่อกับแม่เข้าใจธรรมะและบาลนี้สภาพคิดสภา พ, ภาพใจเดินคนละเส้นอยู่ทาง้งเดินสวนทั้งความแม่ผู้เข้าใจธรรมะแหละย่างสิมีปัญหากับการแก้สังคมภายในครอบขวัวนองกับลูกที่บ่ลูกธรรมะ นันกับลานที่บรรลุธรรมะแกยังสิเดินทางก็แล้วเสร็จเดินสวนทางกัอยู่สั่นนันหรมึดูปัญหาสังคม ก, กับบ่สุดบ่อสิ้นคือกันยังสิมีอยู่แต่ดีแนี่ว่าพ่อแม่สินังเหนียวก็เก่าสิว่าเป็นโรคประสาทได้งา่ายคือเก่ายังสิถ้าเผอิญลูกของเขามันบ่อได้ย่างให่เลี้ยงก็เลี้ยงย่างดีคือเพอ่ญละ่ะทะนุถน้อมประคบประงงทรงเสียการศึกษาเราเลี้ยงแตจนสุดปีมือพ่อแม่บอกรังสังส่วน ตาเกลื่อนว่ากาวคืบกันยังให้ลูกดีแต่ว่าหา้ลูกมันเป็นไปกระกสิงวันร้นองเขามาดึงไปจะเป็นชี้เราเขามาดึงไปจะเป็นชียะไปดมหมาดมเอาไปดมกาวดมอ่าที่เหนือน้ํามูน้ำฝูงเสียผู่เสียควนว่างางานว่างกันสักเจพนีจจ่วนไปกระสิบเท่าภูเขาใจญ่ธรรมะกันยังสีตะล่อนคิดตะล่อนใจบะวังเล่กักสีไข่แน่หน้าดอกต่สิเพาะเอาตัวรอด แจ้สิได้มันจะว่าําเป็นที่สุดละถ้มามรของผัวเฮาแล้วแม่ที่แก้สิมันสิไปแก้เชื่อนได้สิได้ในแน่นอนไม่มีวิธีอื่นสิได้ขันบอกแม่วิธี